180. เมนดกะขะหะปฏิวัตถุว่าด้วยเมนดกะขะหะบดีถวายปัญจะโครถกับสเสบียงเดินทาง 296. สมัยนั้นเมนดกะขะหะบดีอยู่ในเมืองพัิยะท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล้าวแล้ว ให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของท่านมีลิธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้ถาดข้าวสุก ข, ขนาดจุน้ำได้หนึ่งอะละหกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อมีพัฒตรารเลี้ยงแก่ทาตและกรรมกรได้ พัตนาหารนั้นย่อมไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นบุตรของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือถือถุงจุซับหนึ่งพันเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่ทาสและกรรมกรซั์ค่าจ้างนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขา สภพยของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้กระบุงที่จุ ข, ข้าวสี่นานเพียงใบเดียวแล้วแจกพัตตาหารกลางปีแก่ทาตและกรรมกรพัตตาหารไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เธอยังไม่ลุกขึ้นทาตของท่านมีฤทธานุภาพอย่างนี้คือ เมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถถึงเจ็ดรอยพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐได้ทรงสดับข่าวว่าเมนตกะขาหาบดีอยู่ในเมืองพัิยะเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล่าแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือก ไหลตกจากอากาศเต็มฉางพันรยาของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือนั่งใกล้ถาดข้าวสุก ข, ขนาดจุน้ำได้หนึ่งอาละหกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อมีพัฒตาหารเลี้ยงแก่ทาตและกรรมกรได้พัฒตาหารนั้นย่อมไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้น บุตรของเขามีฤท ธ, ธานุภาพอย่างนี้คือถือถุงจุทรับหนึ่งพันเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่ทาตและกรรมกรทรัพย์ค่าจ้างนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขาสภัยของเขามีฤท ธ, ธานุภาพอย่างนี้คือ นั่งใกล้กระบุงที่จุ ข, ข้าวสี่ธนานเพียงใบเดียวแล้วแจกพัตตาหารกลางปีแก่ทาตและกรรมกรพัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เธ อ, อยังไม่ลุกขึ้นทาตของเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถานาด้วยไถคันเดียวมีรอยไถยถึงเจ็ดรอยลำดับนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐตรัสเรียกมหาอามาตย์ผู้สำเร็จราชกิจมารับสั่งว่าท่านเมนกะคหาบดีอาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของเราเขามีฤทธานุภาพอย่างนี้คือสะกล้าวแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าวเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉาง พัญญาของเขาละบุตรของเขาละสะพ้ายของเขาละธาตุของเขามีฤท ธ, ธานุภาพอย่างนี้คือเมื่อเขาไถนาด้วยไถคันเดียวมีรอยไ ถ, ถถึงเจ็ดรอยท่านจงไปสืบดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นด้วยตนเอง297 มหาอ ม, มาตรับสนองพระราชดำรัสแล้วออกเดินทางพร้อมด้วยเสนาสี่เหล่าไปยังเมืองพัตยะเข้าไปหาเมนดกะขหะบดีถึงที่พำนักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับเมนดกะขหะบดีดังนี้ว่าขหะบดีพระราชารับสั่งข้าพเจ้ามาว่าทราบว่าเมนดกะขหะบดี อาศัยอยู่ในแว่นแคว้นของเราเขามีฤท ธ, ธานุภาพอย่างนี้คือสะกล่าแล้วให้กวาดฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานข้าเปลือกไหลตกจากอากาศเต็มฉางพัญญาของเขาละบุตรของเขาละสไพ้ายของเขาละธาตุของเขามีฤท ธ, ธานุภาพอย่างนี้ คือเมื่อเขาไถานาด้วยไถยคันเดียวมีรอยไถยถึงเจ็ดรอยท่านจงไปสืบดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นด้วยตนเองขหบดีพวกเราจะดูริษฐานุภาพของท่านลำดับนั้นเมนตกะขหบดีสะกล่าวแล้วให้กวาฉางข้าวนั่งอยู่นอกประตูสายทานเข้าเปลือก ไหลตกจากอากาศเต็มฉางมหาอามาตกล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นริษฐานุภาพของท่านแล้วขอชมริษฐานุภาพของภรรยาท่านลำดับนั้นเมณกะข้าบดีสั่งภรรยาว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงอาหารแก่เสนาทั้งสี่เหล่าภรญญาของท่านนั่งใกล้ถาดข้าวสุก ขนาดจุน้ำได้หนึ่งอารหกกะใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงอีกหนึ่งหม้อมีพัตตาหารเลี้ยงแก่เสนาทั้งสี่เหล่าพัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นมหาอมาตกล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นริษทานุภาพของพันยาท่านแล้วขอชมริษทานุภาพของบุตรท่าน ลำดับนั้นเมนดกะขหบดีสั่งบุตรว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงแจกค่าจ้างกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าบุตรของเมนดกะขหบดีถือถุงจุทรับหนึ่งพเพียงถุงเดียวแล้วแจกค่าจ้างกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าทรัพย์ค่าจ้างนั้น ไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่ถุงเงินยังอยู่ในมือของเขามหาอมาตย์กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นริษฐานุภาพของบุตรท่านแล้วขอชมริษฐานุภาพของสภัายบ้างลำดับนั้นเมนดกะขหบดีสั่งสภัายว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงแจกพัตตาหารกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่า สภัยของเมนดกะขหบดีนั่งใกล้กระบุงที่จุ ข, ข้าวได้สี่ธนานเพียงใบเดียวแล้วแจกพัตตาหารกลางปีแก่เสนาทั้งสี่เหล่าพัตตาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกขึ้นมหาอามาตย์กล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นฤทธานุภาพของสภัยท่านแล้ว ขอชมฤิษธานุภาพของทาาท่านท่านเมนดกะข้าบดีกล่าวว่านายท่านต้องไปชมฤิษธานุภาพของทาาข้าพเจ้าที่นาขอรับมหามาต์กล่าวว่าไม่ต้องละข้าพเจ้าได้เห็นฤิษานุภาพของทาาท่านแล้วครั้นเสร็จราชการนั้นมหามาต์จึงเดินทางกลับถึงกรุงราชครื พร้อมกับเสนาสี่เหล่าได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ298ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงเวสาลีตามพระอัทยาศัยแล้วสเสด็จจาริกไปทางเมืองพัทยะ พร้อมกับภิกษุมูใหญ่ 1,250 รูปพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองพัิยะทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชาติยาวันในเมืองพัิยะนั้นเมนตกะขะหาบดีได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมผู้สากยบุตร สเสด็จออกผนวดจากสากยตรกูลสเสด็จถึงเมืองพัติยะประทับอยู่นป่าชาติยาวันท่านพระโคโดมผู้เจริญนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ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 และมูสัต์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นเมตกกะขหาบดีให้จัดแจงยานพาหนะคันงามขึ้นยานพาหนะคันงามมียานพาหนะคันงามหลายคันเดินทางออกจากเมืองพัทยะเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดรัจฉ์จำนวนมาก เห็นเมนดกะขหบดีมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับเมนดกะขหบดีดังนี้ว่าขหบดีท่านจะไปไหนเมนดกะขหบดีกล่าวว่าจะไปเฝ้าพระสมณโคดมเจ้าข้าพวกดีรถีกล่าวว่าท่านเป็นพวกสอนให้ทำฉไห น, นจึงไปหาพระสมณโคดมผู้สอนไม่ให้ทำเล่า พระสมณโคโดมเป็นผู้สอนไม่ให้ทำแสดงธรรมเพื่อการไม่ให้ทำทั้งแนะนำพวกสาวกตามแนวนั้นครั้งนั้นเมนตกะขหาบดีได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคจะต้องเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ดังนั้นพวกเดียรถีจึงพากันริษยา แล้วออกเดินทางไปด้วยยานตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศทานกถาศีละกะถา สักะกะถากามาทีนวะกะถาเนคข ม, มานิสังสักกถาแกเมนดกะขหาบดีผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเมื่อทรงทราบว่าเมนดกะขหาบดีนั้นมีจิตควรมีจิตอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่เมนตกะขหบดีนั้นณนะอาสนนั้นแหลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้าย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นเมนรกะข้าบดีได้เห็นรมแล้วบรรลุรมแล้วรู้แจ้งทมแล้วยังลงสู่รมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กแกล้งกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพระยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพระยิ่งนัก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 พร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตและขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นเมณกะขาหาบดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วได้ลุกจากอาสนะถวายบังคมทำประทักษณิณแล้วกลับไปโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นได้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีต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 ครั้งนั้นพัญญาบุตรสภพายและาธาตุของกหาบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุ p พีกถาคือทรงประกาศทานกาถาสีละกาถาสัขขะกขกคาถากามาทีนวะกะถาเนคขำมานิสังสะกะถาแก่คนเหล่านั้น เมื่อทรงทราบว่าคนเหล่านั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกลงสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมัทธธรรมจักสุขอันปราศจากทุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่คนเหล่านั้น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 พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนคนหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะมองเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทัางพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นเมนดกะคหาบดีได้นำของเคี้ยวของฉันอันประนีตประเคนภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามพัตหาแล้วละพระหัตจากบาทจึงได้นั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าตลอดเวลาที่พระองค์ยังประทับอยู่ในเมืองพัทยข้าพระองค์ ขอถวายพระตาหารเป็นประจำแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เมนตกะขหาหบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วทรงลุกจากอาสนะ เสด็จกลับ